อีกสูตรหนึ่งนะอนั น, นทสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกาลันทะกะนิวาปสถารมใกล้พระนครราชครึกก็สมัยนั้นแหละในวันอุโบสถเวลาเช้าท่านพระอน์นุ่งแล้วถือบารจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครราชคึก พระเทวทัตได้เห็นท่านพระอ น, น, นุนกาลังเที่ยวบินทบาติอยู่ในพระนครราชครึกจึงเข้าไปหาท่านพระอ น, น, นุนแล้วได้กล่าวกับท่านพระอ น, น, นุนว่าดูก่อนอาวุโสอา น, นุ์บัตรนี้ผมจะ ก, กระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสง์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโครงการอนันตริยกรรมเรื่องที่สองก็เข้ามา พระเทวทัพนี่ทำอนั น, นติกรรมคือทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมก็โครงการอนั น, นตริกรรมยังไม่เลิกราก็เอาใหม่เพิ่มอีกทาสังกเพศนี่หนักที่สุดอันดับหนึ่งทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อเนี่ยหนักอันดับสองค่าพระรหัสหนักอันดับสามค่าพ่อหรือค่าแม่ถ้าผู้ใดมีศีลเนี่ยก็หนักเป็นอันดับต่ อ, ต, อต่อไปแต่ว่าหนักที่สุดเลยก็คือทําสังกเภทครั้งนั้นท่านพระนนนเนี่ยเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครราชครึก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 พระเทวทัตได้เห็นข้าพระองค์กําลังเที่ยวบินธบัติอยู่ในพระนครราชครึกจึงเข้าไปหาข้าพระองค์ครั้นแล้วได้กล่าวกัะข้าพระองค์ว่าดูก่อนอวุโสอานอน์บัดนี้ผมจะ ก, กระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเทวทัตจักทําลายสง์ จะ ก, กระทำอุโบสถและสังฆกรรมขอทําสังฆกรรมแยกจากหมู่สงะนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าขอแยกสภากันอยู่คนละสภากันเถอะแยกคณะออกนะไปชมคนละสภาลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าอันความดีคนดีทําง่ายความดีนี่คนชัวน่วเนมันทํายาก ความชั่วในคนชั่วก็ทำง่ายง่ายไอ้ความชั่วพระอริยะทั้งหลายทำยากยากเราดูคนประเภทไหนใช่บ่ากุศลเจริญง่ายหรือเจริญยากโอ๋โหง่ายแล้วนะจะได้เป็นคนดีสัทีบางคนบอกอุ้ยกุศลทํายากยากก็ แ, แสดงว่าเราไม่ใช่คนดีอะไรนะแต่ก็ดีแล้วละ่ะที่รู้ว่าตัวเองไม่ค่อยดีจะได้ดีสัทีเนึ่งคนที่เป็นทานรู้ตัวว่าเป็นทานก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้าง แต่ขณะเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูท่าแท้ของเราใช่ไหมว่ากุศลเจริญยากยากก็แสดงว่าเราเนี่ยพื้นฐานเราไม่ใช่คนดีแต่บอกกุศลเจริญง่ายง่ายไม่เห็นจะเจริญยากอะไรกุศลเนี่ยนะทานก็ให้ง่ายซีนก็รักษาง่ายสมถาวิปัสสนาก็ไม่เห็นยากอะไรเจริญได้เลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็พื้นฐานแสดงว่าเป็นคนดีก็ดูที่ว่าท่าแท้เป็นยังไง สมมติถ้ารู้ว่าเออเมื่อเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราก็เออช่างมันเถอะแลวกว่าเรามันคนเลวอ่ะนะก็เรามันปุตุชนปุตุชนก็ตกนรกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องปกติดีอูอนุรักษ์ได้ถาวรมากดีไหมอย่างนี้ไม่ดีเนาะต้อยแยกออกว่าอะไรดีไม่ดีนี่กับแจวแล้วนะความรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะอย่าว่าระดับธรรมดาพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอะไรจัตตารีสกะสูตรว่า มีปัญญาแยกอกุศลว่าเป็นอกุศลกุศลว่าเป็นกุศลแล้วก็แยก ก, รรกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทแยกแยกออกในภาษาลิบุตรท่านว่าเป็นสัมมาทิฐินะในสัมมาทิฐิสูตรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าแยกตัวความคิดออกได้ว่าความคิดอย่างนี้ดีความคิดอย่างนี้เลวร้ายเป็นต้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์ได้อันนี้คือมีทรัพย์คือปัญญานะปัญญานี่เป็นเครื่องคัดคัดอะไรคัดความเห็น เห็นอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าว่ามีความรู้แยกแยะความเห็นตัวเองได้หรือไม่คุณจะรู้อะไรก็รู้ไปเถอะแต่สําคัญที่สุดคือปัญญาที่มาคัดความรู้ว่าความรู้ไหนถูกความรู้ไหนผิดความรู้ไหนมีประโยชน์ความรู้ไหนไม่มีประโยชน์อันนั้นจําเป็นมากอันนั้นสําคัญมากกลับมาหาเรื่องพระเทวทัตเราดีกว่าพูดถึงครั้งนั้นท่านพระอานนท์เนี่ยเข้าไปบินทบาตใช่ไหมท่านพระเทวทัตเนี่ย ชักชวนในการฆ่าพระพุทธเจ้าชักชวนใครชักชวนให้ในายขมังธ น, นูเนี่ยวางแผนเตรียมไปฆ่าพระพุทธเจ้าเอานายขมังธนูคนที่หนึ่งไปดักซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเอานายขมังธนูสองคนไปรอดักฆ่านายขมังธนูหนึ่งคนนั่นน่ะเอาสี่คนไปดักฆ่าสองคนเอาแปดคนไปดักฆ่าจนสี่คนเอาสิหกคนเนี่ยไปดักฆ่า8ดคนแล้วก็เอาสาสิบสองไปดักฆ่าสิหกคนซะโอ้ยวางแผนหลายชั้นมาก ในที่สุดแผนนั้นก็แตกเพราะคนที่สั่งไปฆ่านั้นบรรลุหมดเลยโครงการที่สองก็ปล่อยช้างนาลาคิริงโครงการที่สามก็กลิ้งศิลาโอแต่ละเรื่องเนยนะวางแผนแสดงว่าพระเทวทัตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็พระเทวทัตใครน่าสงสารที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยเนะี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเศษกรรมทั้งนั้นแหละที่พระองค์เคยทํามาในอดีตนี่เศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆกลิ่นอายแห่งบาปอากุศลมันโชยมาถึงบ้างแต่พระเทวทัตนี่สิ จะต้องถูกเขาวางแผนการฆ่ากี่ชาติต่อกี่ชาติในอนาคตจะต้องมีช้างมาเตรียมฆ่าตัวเองอีกกี่ชาติเนอแล้วก็ภูเขาหินจะต้องมากลบตัวเองอีกกี่ครั้งกว่าจะบรรลุเป็นพระประเจกอีกเมื่อไหร่เนอะพระเทวทัตนี่น่าสงสารเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถทําความพินาศให้แก่พระพุทธเจ้าได้จึงกล่าวว่าวันนี้เป็นต้นไปประสงค์จะทําลายสง์ จะทำการแยกจากแยกสังขจักเป็นต้นออกไปแล้วจะแยกจากพระพุทธเจ้าแยกจากพระพุทธเจ้าแปลว่าไม่ทําพระพุทธเจ้าให้เป็นาศาสดาอีกต่อไปก็คือเท่ากับแปลว่าตั้งตนเป็นาศาสดาเองตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเองจริงๆแล้วพระเทวทัพนี่ถามว่าความสามารถท่านขนาดไหนสรงพระไตรปิฎกไหมพระเทวทัพจริงๆเนี่ยสรงพระไตรปิฎกเก่งมากท่านเทศได้ทั้งวันทั้งคืนอะ เทพจนลูกศิษย์เชื่อเป็นหลายร้อยอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะสมัยนี้คนเก่งๆจะมีใครติดตามห้าร้ยากเย น, นะสมัยนั้นนะเขามีลูกศิษย์ห้าร้อยติดตามเก่งมากแต่ความเก่งอนั้นนี่ น, นก็อย่างว่านะความรู้ที่เกิดขึ้นแก่คนพานก็เพื่อฆ่าตัวเองความรู้ความสามารถของบางคนเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อฆ่าตัวเองจริงๆเลยพระเทวทัตก็กลุ่มนั้นแหละบทว่าอุปสังฆกฤษามิสังฆกรรมมานิจะความว่า จากแยกภิกษุสงฆ์ให้กระทําตามโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําอุโบสถและสังฆกรรมแผนกหนึ่งกับเราภิกษุผู้คล้อยตามเราแยกว่านี้สาวกของพระพุทธเจ้าแยกไปนี้สาวกของเราเ่ยนะก็ตั้งตนเป็นศาสดาเต็มตัวบทว่าเทวทัตโตสังคังพินทิสติความว่าวันนี้พระเทวทัตจักทาลายสง์แยกเป็นสองส่วนโดยแน่นอนเพราะพระเทวทัตตรเตรียมพักพวก ผู้กระทาการแตกแยกไว้ทั้งหมดแล้วจริงอยู่เมื่อพระเทวทัตแสดงวัตถุแม้อย่างใดอย่างหนึ่งในวัตถุเป็นเครื่องแตกแยกเป็นต้นว่าแสดงอะธรรมว่าเป็นธรรมแล้วให้ยินยอมว่าพวกเธอจงถือเอาสิ่งนี้จงชอบใจสิ่งนี้ด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นแล้วให้จับฉลาแยกกระทำสังฆกรรมสงเป็นอันถูกทาลายแล้วคือเมื่อแยกธรรมสังฆกรรมได้สาเร็จหมครัว่าถ้ามีการประชุมสองสภาเมื่อไหร่ สมมติประเทศเดียวกันเนี่ยนะตัวชมสองสาภ า, าเมื่อไหร่ก็ถือว่าแยกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมชั้นใดตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันสงในสีมาเดียวกันถ้าแยกทำสังคสาภาวเมื่อไหร่ก็ถือว่าสังกเภศสําเร็จเพราะนั้นพระองค์ตรัสว่าสังกเพศนี่จะมีได้ด้วยอาการหคือหนึ่งโดยกรรมสองอุเทศสามชักชวน4ี่สวดประกาศหจับฉลากข้อแรกก่อนกรรมก็คือสังขกรรมเช่นอัปโลงนกกรรมอุโบสถกรรมเป็นต้นอุเทศก็คือ ปาติโมคุเทศห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโวหารก็คือแสดงวัตถุเครื่องทำความแตกร้าวกัน18อย่างเรียกเพกระวัตถุ18แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมเป็นต้นด้วยเหตุเ ห, เหล่านั้นเหล่านั้นบทว่าอนุสาวรนเนนะด้วยการเปล่งวาจาประกาศในที่ใกล้หู ว, ว่าพวกเธอย่อมรู้ไม่ใช่หรือว่าเรานี่บวชมาจากตระกูลสูงวิธีเรี้กล่อมคนอื่นนะฉันนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะฉันคนมีชาติมีตระกูลนะ ฉันนี่เป็นพหูสูตรฉันเรียนมามากพวกแกเรียนเท่าข่าหรือเปล่าอย่างง่าเป็นต้นนะนะข้าเรียนมามากคำพีไหนข้าไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนเก่งเลิศเกินเนี่ยนะพวกฝักษณะเนี้ยต่อไปควรหรือพวกท่านที่จะเกิดความสงสัยขึ้นชื่อว่าคนเช่นเราเนี่ยจะให้ถือนอกทำนอกวินยัยเราไม่กลัวอาวายัยหรืออันนี้คือวิวธีกเกลี้ย ก, กล่อมโฆษณาคนอื่นใช่ไหมก็วิธีกเกลี้ย ก, กล่อมนะสังเกตดูหนึ่งฉันเนี่ยชาติกลุ่นของฉันคือใครก็อสองฉันนี่เรียนมาขนาดไหน ความรู้ความสามารถฉันก็ประจักษ์แก่สายตาของแกแล้วไม่ใช่หรือฉันไม่กลัวนรกหรือฉันก็กลัวนรกเหมือนพวกเธอนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็พูดซะจนเขาเชื่อนะเอานารกมาอ้างนะเออใช่ใช่สงสัยมันจะพูดมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างมั้งเนะที่ไหนได้ไม่ใช่เราแผนลวงของคนเลวบทว่าสลากักคาเฮนะด้วยการสวดประกาศอย่างนี้แล้วก็สนับสนุนความคิดของภิกษุเหล่านั้น กระทำให้มีการไม่หวนกลับเป็นธรรมดาแล้วให้จับฉลากด้วยคาว่าท่านจงจับฉลากจับฉลากนี่แปลภาษาไทยว่าให้ยืนยันว่าจะต้องไม่มีการเปลี่ยนใจยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนใจมันถ้าได้พักได้พวกแล้วก็ติดยี่ห้อเบ็ดเสร็จหมดอ่ะนะก็ในอาการเหล่านี้กรรมหรืออุเทศเท่านั้นเป็นสำคัญส่วนการชักชวนสวดประกาศการให้จับฉลากเป็นส่วนเบื้องต้น ตอนแรกนะเขาก็มีการอะไรก่อนตอนแรกเขาก็มีการชักชวนก่อนชักชวนเสร็จก็สวดประกาศสวดประกาศเพื่อว่าคนนี้ไม่กลับใจก็ให้จับฉลากก็จับฉลากก็แยกไปทำสังฆกรรมแยกทำสังฆกรรมเสร็จก็เรียบร้อยสังฆเภศถาวรเมื่อเธอชักชวนด้วยเหตุ18ปประการแล้วสวดประกาศเพื่อให้เกิดความยินดีในการชักชวนแล้วจึงให้จับฉลาก สงก็ยังชื่อว่าไม่เป็นอันแตกกันก่อนเพียงแต่เริ่มราวและอาการราวนี่มีแต่ยังไม่แตกแต่เมื่อภิกษุสี่รูปหรือเกินกว่านั้นพากาันจับฉลากแล้วพากันทำอุเทศหรือทำสังฆกรรม <c oughs> เช่นสวดปาติโมกเป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้สง์ชื่อว่าเป็นอันถูกทาลายแล้วพ <c oughs> ระเทวทัตทำสาเร็จไหมสาเร็จแบ่งเป็นสองพักได้จริงๆ ส่วนพระเทวทัศน์พอให้ส่วนเบื้องต้นและสังกเพศ ท, ทั้งหมดสําเร็จแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะแยกทําอุโบสถแยกทําสังฆกรรมเฉพาะส่วนหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยหาพวกได้สําเร็จหมดแล้วใช่ไหมตัวเองเนี่ยไปเที่ยวเกลี้ยกล่อมคนอื่นมีการประกาศชวนเชื่อมีการให้จับฉลักยืนยันแล้วว่าพวกตัวเองมีเท่าไหร่กันแน่พอที่จะตั้งพรรคใหม่ได้และพรรคกับพวกงนาะนเดียวกันพอ ต, ตั้งพวกสําเร็จก็ในนี้จับประชุมสภาแล้วนะ ประชุมสภาเช่นวันนี้วันอุโบโสถสิบห้าข้ามเอามาสวดปาติโมกอีกพักหนึ่งเลยเมื่อทั้งสองฝ่ายมีการสวดปาติโมกสีมาเดียวกันแต่คนละตำแหน่งเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยตกนรกตลอดกลับพระเทวทัศน์เนี่ยตกนรกตลอดกลับนะเพราะฉะนั้นบอกว่าพระเทวทัตน์เนี่ยเตรียมพักพวกผู้ทำสังฆเภทเอตมัตถังวิธิตวาความว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบโดยประการทั้งปวงซึ่งสังฆเภทกรรม อันเป็นทางให้เกิดในอเวจีมหานรกตั้งอยู่ตลอดกับอะเตกิจชาแก้ไขไม่ได้ที่พระเทวทัตให้บังเกิดขึ้นนี้เยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ใครจะไปช่วยอะไรได้นะนะสังกเภทเนี่ยนะถามว่าอยู่กลุ่มไหนรู้ไหมสังกเภศกลุ่มกรรมประเภทมุสาวาตล่วงอกุศลกรรมบทสายมุสาวาตทาั้งๆที่เบื้องลึกจริงๆแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ แต่ว่าอำนาจเป็นต้นเน่ยนะความเป็นอยากใหญ่อยากมีอำนาจมันก็สามารถทำได้ทุกอย่างะนะสังฆเพศนั้นจึงเป็นมักคาเป็นประตูให้ไปสู่อเวจีมหานรกพระองค์ก็เปล่งอุทานประกาศอัถนิวา่าก็บุคคลผู้ฉลาดหลักแหลมดีเนื่องด้วยเป็นสัต บ, บุรุษปฏิบัติถูกส่วนกันในฝ่ายกุศลและเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติไม่ถูกส่วนกันกับฝ่ายกุศลตามลาดับ สรุปว่าสุกระังสาธุนาสาธุเชื่อว่าคนดีเนี่ยนะเพราะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของสังคมหรือประโยชน์คนอื่นให้สําเร็จได้แก่ผู้ปฏิบัติชอบทํากรรมดีทํากรรมงามทํากรรมเจริญเป็นกรรมที่นํามาซึ่งประโยชน์สุกแก่ตนและคนอื่นอันคนดีเช่นภาษาวกมีภาษารีบุตรเป็นต้นพระประเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกิยสาธุชนคนอื่น คนดีทั้งหลายเหล่านี้เขาจะทําดีนี้ก็สามารถเพื่อจะทําได้ง่ายคนดีทั้งหลายให้ทานก็ให้ง่ายรักษากุศลกรร ม, มบดก็เป็นเรื่องที่ง่ายรักษาศีลก็ง่ายเจริญสมถะเจริญเมตตาเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเขาก็ทําง่ายเนี่ยนะแต่ว่าคนชั่วละ่ะสาธุปาเปนะทุกกังย้อนมากมาคนดีทําชั่วยาก ก็กรรมดีมีลักษณะดังกล่าวแล้วนั่นแหลอันคนชั่วคือปล า, ป, าปะบุ ค, คลมีพระเทวทัศน์เป็นต้นทําได้ยากไม่สามารถจะทําได้อธิบายว่าไม่อาจจะทํากรรมดีนั้นได้ทําไม่ได้จริงๆเลยนะคนชั่วนี่จะให้เขาทําดีเขาทําไม่ได้เขาทนไม่ได้ไม่เชื่อลองชวนใครมาฟังทำดูดิบางคนเนี่อเรารู้แต่ยังใหก็นั่งฟังชั่วโมงเดียวก็ฟังไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกส่งให้ยังไงก็ทําใจไม่ได้โดยประการทั้งปวง ปาปังปาเปนะสุกรังกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีได้แก่กรรมที่นํามาซึ่งความพินาศให้แก่ตนและคนอื่นเป็นกรรมที่ชั่วที่ปาปะบุคคลตามที่กล่าวแล้วทําง่ายฆ่าสัตว์นี่บางคนนี่ทำง่ายมากเลยนะลักทรัพย์นี่ง่ายแทบเดียวนี่ก็ขโมยได้ตังเยอะแยะแล้วบางคนนี่กาเมเนี่ว่องไวมากบางคนนี่มุสาวาสนี่นะพูดอยู่เป็นชั่วโมงไม่มีความจริงสักอย่างเลย บางคนเนี่ยประกวดชนะการด่าผู้หญิงกับผู้ชายใครด่าเก่งที่สุดก็ประกวดแล้วว่าผู้ชายด่าเก่งที่สุดก็มีการแข่งเนี่ยนะแข่งการด่าเนี่ยผู้ชายด่าเก่งเพาแข่งแถวแถวเนี่ยภาคกลางเราเนี่ยแหละแต่ก็ไม่แน่นะผู้หญิงอาจจะไปรับมาชนะแล้วก็ได้โอ้ด่าเก่งจริงบางคนนี่แช่งคนอื่นเก่งจริงๆแต่ว่าพูดให้คนอื่นมีความสุขทาไม่ได้คิดให้คนอื่นมีความสุขนี่เบียดไม่กล้าคิดเป็นต้นมั้นบางคนเนี่ยอกุศลเนี่ยทำง่ายง่าย แกุศลทำยากเย็นแสนเข็นเลยนะเพราะอะไรเพราะคนนั้นเป็นคนคนชั่วปาปารมิเยเหิทุกรังส่วนกรรมชั่วนั้นน่ะ น, นะการล่วงอกุศลกรรมบทเป็นต้นพระริยเจ้าทั้งหลายคือบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทำได้ยากคือไม่มีความยินดีอย่างยิ่งเป็นแดนเกิดคือไม่ต้องการกรังเกียจจริงๆเลยในความชั่ว พระพุทธเจ้าแสดงว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ฆ่ากิเลสเหมือนดังสะพานได้แล้วเสตุคาตะวิรัตเสตุคขาดวิรัตนี่หมยายคือว่าเสตุคือตัดสะพานแห่งความชั่วได้เสร็จสิ้นแล้วไม่ให้ทวนนะครชักสะพานแห่งความชั่วร้ายได้เสร็จขาดด้วยอนุภาพของอริยมรรคอริยมรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยชักสะพานแห่งความชั่วได้อย่างถาวร เมื่อใดบอกอความดีทำยากยากเหมือนนั้นรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นใครความดีนี่ทำง่ายง่ายก็ดูเริ่มรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงแล้วนะ